อันนี้ให้ ม, ม, มือถือสำมือถือช่ปิดด้วยนะช่วปิดโทรศัพท์มือถือด้วยสัญญาณมันกวนกันสัญญาณกวนนะครับเอาไวไงมาเลยหยิบได้เลยนะครับไปวดวถวายนี่หลวงมาเดินนึงครับที่มาลาพระจารย์มาลาทุ หมดว่าแพ้กิเลสใจยับจนถอดปีกออกจากดวงางไม่เป็อนอย่างน้อยได้รู้จักมันอันนี้วงวมาเป็นพี่เลยถ้ามาตอทานทปวดวนวันไม่เป็นไรเอาใหม่เราีผมต้กับไปกลบรยกาบแล้วไไยังไม่ตายยังสู้ได้ดูไม่ถอย อ, ออกมาแล้วก็ไม่น่าลเล้ออกมาดูไม่ถอย ครับเดือนนั่นเหครับยังขึ้นไปดอนเยอะอ่ะอะไครับอะไรอย่างนี้นะแน่แน่มั่นคงอาถารไม่เสื่อมนะครับมีโยมจะถวายปัจจัยบ่งบวงฆ่ากันเหนียวรอให้ก่อนไหมครับหรือวอ๋อไม่เป็นไรทําตามสบายอันนี้ไม่มีขั้นตอนอะไรเทสไป ทำไปยังไงก็ได้อันนี้วันธรรมดาไม่ได้เทศยาวพระอาจารย์คะอันนี้เราทำให้เ <Hello. S 2> จ้ากรรมในเรือนโดยมกดีกัดเราตนั้นมันก็ตาย <c oughs> ก็เป็นกรรมของมัน <c oughs> เป็นกรรมของเรามันไม่อยากทเราก็เป็นกรรมของเรามันก็เป็นกรรมของเขาก <c oughs> ายังมีการเกิด <c oughs> ก็ต้องมีการใช้กรรมไว้ตรงนั้นเลย <c oughs> เไว้ตรงนั้นสาธุ ใครต้องการหนังสือซีดีก็หยิบได้นะเกิดมาแล้วก็ต้องใช้กรรมถ้าไม่อยากจะใช้กรรมก็อย่ามาเกิดถ้าไม่เกิดแล้วก็หมดกรรมหมดเวรเวรกรรมตามไม่ได้แต่ถ้ายังมีเกิดอยู่ถึงแม้จะเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังต้องมีเวรมีกรรมตามมาพระเทวทัศน์ก็เป็นคู่เวรคู่กรรมของพระพุทธเจ้า แต่ก็เป็นครั้งสุดท้ายเพราะพระจะเจ้าไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปนั่นก็ถ้าอยากจะไม่ต้องมีเวรมีกรรมก็อยากกลับมาเกิดถ้าไม่เกิดก็ต้องอยู่แบบนักบวชคือต้องตัดความอยากทั้งหมดไปความอยากทางตาหูจมูกิ้กาย ามอยากไนรลาบยศเสลสิฐเสริวามอยางไม่ให้ยาบยลาบยศเสลิฐเสริเสื่อมอยากให้เจริญอย่างเดียวามอยากเหานี้จะทำให้เราต้องกลับมา เ, เกิดอยู่เรื่อยๆเกิดแล้วก็ต้องมาเจอกัน เ, เจอกันถ้าไปเขาทาเราเราไปทาเขาเดี๋ยวก็ ถ้าเราไม่ได้ทำเขาหลอกถึงทำแต่เราก็หัวสีให้ถ้าเราไม่ทำเขาก็ดีเวรก็จะได้หมดเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเข้ามาได้เข้ามาได้อย่างถวายเข้าไปครทุไปเจอเข้าเป็นยังไงไปเจอที่ไหนอ๋อไปแขวนยาค่ะตอนยาหนิงูพิษหรือเปล่กตะป่าฮะงูตะป่า เขาก็ไม่หนีไปไหนนะครับคุนอนตัวตอนนั้นมันจะไม่หนีคระพอดีมีคนงานแถวนั้นเขาก็เจาะมาควันใเลยขอขาดลแล้วก็โดนเหมือนกันโดนที่โดนที่ก็นอนรงพยาาลสองคืนแล้วก็มารักษาหม่ไทยเพราะว่ามันกัดปลายเนื้อผู้เดีับเนื้อเนื้อเป็นเงินเนื้อเนื้อเสีย่เนื้อเสียเขาหมอไทยบอกว่าต้องคอยให้มันแห้งแล้วรอนไปเองของเราช่วงนี้ตอนที่นดนกัดคนก็เอามะนาวมาโปะ ตอนนั้นเราไม่รู้ค่ะได้แต่บีบเลือดทิ้งแล้วก็เอาเลยพันแล้วนี่ไปโรงพยาบาลเออดีเข้ามาเอาเลืก็เปาะให้เนื้ออะไรไม่แน่คก็พอดีแอบปวดนะตอนเล่นพิษมันก็ปวค่ะก็เราไปนอนโรงพยาบาลอยู่สองคืนเอห็นเส้นเลือนที่สีดําเลยใช่ไหมเออไม่ดําเฉพาะตรงแผลนะเท้าแผล่นแหละแต่ว่ามันไม่เข้าเส้นเลือดเนี่ยเช็คเลือดทุกสามชั่วโมงอ ไมม่ีพินเ ล, เลยไม่ต้องใช้ไม่ต้องให้ยาสี่งเริ่มตอนแรกให้แล้วก็แพ้อแพ้แล้วบอขอหยุดแพ้แล้วเสร็จแล้วเข้ามาเช็คเช็คแล้วเสร็จแล้วมันไม่จําเป็นเพราะว่ามันไม่ได้เขานาใกระแสเออของเรามันเข้าไปเดือนมันไม่ยอมแข็งตัวค<อ>ุณทจากก็โดนนะค ะ, ะเขาบอกเขาห่วงอันนั้นนะคะกลัวว่าเลือดไม่แข็งตัวแล้วเราจะเล อ, อใช่ของเราตอนตอนเข้าก็เอาเลือดไปเช็คตอนที่กัดในหม่เอาไปะะตรวจมันก็ยังแข็งตัวอยู่ เราพออีกหกชั่วโมงเข้าไปตรวจทีนี้มันไม่แข็งตัวแล้วนี่เขาตรวจทุกทุกสามชั่วโมงเลยค่ะจนสองวันแล้วนอนลงเบา<ม>เสร็จแล้วเขาตอนหลังเขาบอกเลือดเรดีขึ้นดีขึ้นเขาก็เลยเขียออกจากโรงพยาบาลได้แต่ให้ทําแผลแล้วก็ดูว่าเออถ้าแผน่นแผ่นไทยเนะี่ยจะมีรูปติด ก, กับทิศออกก็เลยรักษาแผ่ไทยแล้วหลังต้องใส่ถุงมือค่ะคืเข็ดแล้วไม่ถอดละมันก็ไม่ลอกนะคะคือมันแค่ เป็นกอหญาที่เราปลูกไว้ ส, สวยๆแล้วมัตายต้นไม้าการนี้มันเป็นกบกองนะเราก็จึ้งว่ามันโลบหน่อยอะไรถ้าเราไม่ไปทําเขาก็เราก็ไม่มีเวรกับเขาถ้าคนอื่ไปทําก็เขาก็เป็นเวรกันบางคนนะบอกว่าเขามาคอยเราแล้วนะมามาแก้แค้นแล้วเราก็ไม่น่าจะไปถอนเะดแล้วเราเบ้นไปแล้วตรงเนี้ยค่ะอายุท้ายแล้ว วิธีเล่ว่าทำไ ม, ไมก่เดียวกับจัด ก, การซะเลยโดนอกทีเดียวก่อนนานแล้วยังพิ่งโดนได้ห้าวันนะคะเพราะว่าเราไปโรงพยาบาลมาสองวันแล้วก็ราสั่งหมอไทายวันนี้วันที่สี่แล้วเขาถอนพิษแล้วว่า ต, ตัดตาลากัดโคนวันนี้วันสุดท้ายไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตัดนิ้็ไม่ต้องนานตัดนิ้ ว, วกห่วงเหมือนกันเห็นตอนนี้มาเริ่มกินมาตรงเล็บแต่ได้ค่ะแต่หมอได้ค่ะ มันจะโดนตรงนี้ห่เงืลอเสียไเลยวันนี้หมอไทยบอกว่ารอดเพราะว่าอย่างไรเรามีความรู้สึกเราอะไรตลอดอแตนนี้เราก็ยังต้องทายาหมอไทยอยู่โดยก็เป็นปกติเดยปกติเป็นความรู้สึกปกติแสดงพิษมันไม่มากค่ะแล้เขาบอกตอนเช้าช่วงเช้าพิษจะอ่อนแล้วช่วงเย็นคือมันนอนแล้วแบบสะสมคิดค่ะก็างคืนอาจจะไปพ่นพิษไปกินอะไรแบบนี้ยกับมานอนสะสมแล้วค่อยมีพิษเพิ่มขึ้นเรื่อยพอโดนช่วงเช้าแล้วก็เลยช่วงเย็น ก็ทำอะไรก็ต้องมีสตินะมีสติมีปัญญาระมัดระวังวก็เป็นสิ่งที่บางทีมันก็หลิกเลี่ยงไม่ได้มันเกิดแล้วก็ต้องดูที่ใจเป็นสำคัญใจเราทุกข์ไหมใจเราตื่นเต้นตกใจหรือเปล่ากลัว ห, หรือเปล่า หรือถ้าเราเฉยๆว่าเป็นเรื่องธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายร่างกายนี้มันก็ต้องมีวันเจ็บแล้วก็ต้องมีวันตายถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ไว้เวลาเกิดเคลื่อนใจแล้วก็พระอาจารย์นี่ก็ไปให้เซรุ้งใช่ไหมคะเพราะว่าเข้ากระแสเลือดอให้สองครั้งอตอนแรก ทำโรงพยาบาลสั่งมานล้สามหลอดก็ต้องให้เราสามหลอดเสร็จแล้วให้แค่หลอดให้ไม่เดียวแป๊เดียวเนี่ยห้ามทีนะจัดการหายใจกันเร็วเลยบอกว่าเราอาการแพ้ของเราแล้วบอกให้หยุดหมอบอกว่าหยุดเดี๋ยวก็ต้องให้อีกถึงแพ้ก็ต้องให้เสร็จแล้วหมอก็เปลี่ยนใจเพราะว่าเช็คทุกสามชั่วโมงไม่เข้ากระแสเลือดพิษกเลยไม้ให้ให้แล้วให้แต่เราไม่แพ้เราเฉย เก็ให้คนมาคอยตรวจดูความดันตรวจดู<อ>ใช่ค่ ะ, <ฮ>ะทำตลอดความดันใช่แล้วก็เฉยๆก็จะมีปวดเฉพาะคืนแรกแต่ว่าเราไม่เอายาแค่ปวดเพราะกลัวแพ้ก็อยู่โรงพยาบาลอยู่สองสามวันเหมือนกันเพราะมันถูกกัดที่เท้าแล้วเดินไม่ไหวปวดปวดเพราะหลังจากที่ถูกกัดไปสักชั่วโมองนี้มันปวดแล้ว เราต้องเอารถเข็นมาให้นะแต่ว่ากระปะมันจะเป็นเขาบอกว่ามีสองแบบที่โดนเนี่ยมันจะหัวมันจะเป็นเหลี่ยมตรงตรงคอจะเป็นเหลี่ยมแต่ตัวนี้ก็ประมาณสมควรประมาณขนาดกลางค่ะอ๋อแต่มารู้สึกตัวจะตัวใหญ่ขนาดแค่นิ้วฮะรอยาวแค่นี้ตัวเล็กครับจะได้ว่านี่ตัวใหญ่กว่าใหญ่กว่า อันนี้มีวิชาโรให้ฟังไม่เป็นไรละไม่เป็นไระไม่ต้องเปิดทำลายทำลายกล้ามเนื้อใช่ค่ะกระปะาทำลายกล้ามเนื้อลาเยื่ไม่กระป๋กระปะนี่มันแล้วทําไงมันถึงอากัดจุดได้ในนี้พี่ไปรักษาหมอไทยเนี่ยนะครับมีกินเนื้อเนี่ยเนื้อตรงที่กล้ามเนื้อตายไมันจะตายตอนนี้แต่หมอบอกว่าเนี่ยได้เพราะว่าคนไปรักษาหมอไทยคนนี้หลายคนแล้วรอดที่ว่าไปโรงพยาบาลจะตัดเดียว พี่เรต้องออกจากโรงพยาบาลที่ไม่ยกถูกตัดตอนนี้มันต้องเขาบอกห้ามขูดเขาจะหให้ใ ห, หมอไทยจะแห้งไปเอง เ, เรางเชื่อหมอนะตอนแรกครั้งแรกไม่เชื่อไปวันแรกไปไปหมอไทยเสร็จแล้วเนี่ยคือยาทางโรงพยาบาลให้เรามาด้วยเอายาลรงบาลล้างเข้าโรงบาลนะเนี่ยจากนั้นเราไปล้างทุกวันทนี้เราไม่ยางเราก็ยาเขาล้างเองก็กลัว่าพอจะล้างยาลรงบาลบวมขึ้นมาเลยกุ้งใจอุตสาหะหมอไทยวันแรกก็ยุบเนาะ เลยต้องยอมเชื่อหมอไทยตอนแรกของพี่ที่อยู่โรงพยาบาลอนะ่ะตัวเนี้ยเป็นม่วงนะตัวเนี้ยเป็นสีม่วงเป็นอะไรละ่ะลองทุยมั น, มนวนนะอะไรนะคือหมอเนี่ยเขาจะแบบดูอ า, าการกันก็เลยบอกจะโรงพยาบาลดีกว่าก็ให้ออกโรงพยาบาลได้เพราะเลือดล้วปกติก็เลยหาหมอไทยต่อวันนี้มีใครพรเจ้าครับอตอนที่เราพอนาตอนที่จิตมันสงบ แต่มาค้างในจิตเราไม่ถึงฐานมันสงบจริงแต่มันสงบแล้วก็ถอนออกมาบางทีมันก็ครึ่งชั่วโมงถอนทีบางทีก็ชั่วโมงทีบางทีก็ชั่วโมงขึ้นบางทีถึงไปสองชั่วโมงแต่มันก็ยังดูเหมือนว่าเราไม่ถึงฐานข้างในเวลาที่ตอนกลับมาพิจารณาท่าสี่ขันธ์ห้าเนี่ยมันมันดูเหมือนมันไม่มันไม่ละเอียดแล้วอยากอยากให้ให้อาจารย์แนะนําว่าถ้าเราวิจารณาท่าสี่ขันธ์ห้าเราควรพิจารย์ยังไงในช่วงคือการพิจารณานี้มันเป็นการทําการบ้านคือเรา ศึกษาสอนใจว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายนี้เป็นธาตุสี่มะทํามาจากดินน้ำลมไฟใจเป็นธาตรู้แต่เราไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราอันนี้เป็นการทำการบ้านเป็นการศึกษายังไม่ได้เข้าห้องสอบนั้นมันจะยังไม่มีรู้สึกมีความรู้สึกอะไรจากการที่เรา ได้ได้พิจารณามันจะมารู้ตอนที่ว่าเราไปเจอความตายนั่นเวลาที่ร่างกายมันไปเจออันตรายเหมือนถูกงู ก, กัดอย่างเงี้ยแล้วมันเริ่มเกิดความกลัวขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาตอนนั้นถ้าเราปัญญามาใช้ที่จากที่เราได้พิจารณาว่าให้เราไปกลัวทําไมเราไม่ได้เป็นร่างกายเท่าไร่างกายมันเป็นดินงน้ำลมไฟ เดี๋ยวมันก็ต้องแยกตัวกันไปถ้าเราทุกข์ก็แสดงว่าเรากลัวเรายึดติดกับร่างกายคิดว่าเราเป็นร่างกายถ้าเราปัญญาเราทันปัญญาเราก็จะบอกว่าปล่อยอย่าไปทุกข์กับมันมันจะยังไงมันก็ต้องตายไม่ตายวันนี้มันก็ต้องตายวันข้างหน้าถ้าพอปัญญา ทันปับ๊บทันยาปล่อยปับ๊บทีนี้จิตกับร่างกายมันจะแยกออกจากกันจิตมันจะเข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่เลยนี่นี่เข้าด้วยปัญญาแล้วมันจะรู้ว่าต่อไปนี้เรื่องของร่างกายนี้เราไม่ทุกข์กับมันแล้วเรื่องของความตายของร่างกายมันต้องมีข้อสอบมันถึงจะปล่อย เหมือนตอนนี้ภรรยาคนนี้ยคนรักมากห่วงมากแต่คุณไม่รู้ว่าคนรักขนาดไหนต้องดูตอนที่เขาจะขอแยกจากคุณเนี่ยแล้ดูตอนนั้นว่าคุณทุกข์หรือไม่ทุกข์ถ้าคุณทุกข์ก็แสดงว่าคุณยังไม่ปล่อยเขายังหวงยังรักเขายังคิดว่าเป็นของคุณอยู่แต่เขาจะไปเนี่ยยังไงเขาก็จะไปถ้าคุณไม่ปล่อยคุณก็จะทุกข์ ถ้าคุณปล่อยเพราะคุณพิจารณาเขาว่าเป็นเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นของคุณแล้วที่คุณทุกข์ก็เพราะว่าคุณไปอยากให้เขาอยู่กับคุณเป็นของคุณไปตลอดนี่ถ้าคุณไม่อยากทุกข์คุณก็ต้องปล่อยหยุดความอยากอย่าไปอยากให้เขาอยู่กับคุณอย่าไปอยากให้เขาเป็นของคุณออคุณปล่อยป่๊อ่ะเขาจะไปก็ไปมองไปซะ คนก็จะหายถูกอันนี้เป็นเพียงแต่พูดตัวอย่างให้ฟังมันต้องเอาอะไรที่มันใกล้ตัวมันจะได้เห็นภาพนะส่วนเขาความจริงเขาจะอยู่เขาจะไปนี่มันอีกเรื่องนะไม่ได้ฉาบไม่ได้แช่งเดี๋ยวจะหาว่านะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างให้ฟังแล้วร่างกายของคนนี้ถ้าเกิดคนไม่สบายแล้วไปหาหมอหมอบอกว่ารักษาไม่ได้แล้วละ่ะเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้ว เพาะนั้นก็ดูใจของคุณถ้าใจคุณทุกข์ก็แสดงว่าคุณไม่เห็นว่าร่างกายเป็นธาตุสี่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวคุณไม่ใช่ของคุณแต่ถ้าคุณไม่ทุกข์ก็แสดงว่าคุณเห็นว่ามันเป็นธาตุสี่ดินน้าลมไฟเดี๋ยวมันก็จะกลับไปสู่ดินน้ำลมไฟตอนนี้ที่เราให้พิจารณาเพื่อจะได้มีปัญญาเตรียมรับกับเหตุการณ์เวลาที่เราจะต้องแยกฐานกับร่างกาย ตอนนั้นแนหะเราถึงจะรู้ว่าเราปล่อยหรือไม่ปล่อยทุกข์หรือไม่ทุกข์ไอนี้ผู้ปฏิบัตินี้เขาขี้เกียจรอรอวันตายนี่บางทีอีกสิปีอีกเจ็สิปีเขาก็เลยไปหาความตายกันแต่หาที่ตรงไหนที่เรากลัวตายนั่นที่ตรงไหนที่เราคิดว่ามันจะทําให้เราตายท่านพระท่านก็ชอบไปหาหาเสือหาสัตว์นในป่าแล้วดูว่าเวลาเกิดความกลัวตายขึ้นมาจะ ปล่อยมันได้เปล่าปล่อยร่างกายได้หรือเปล่าถ้าปล่อยได้มันก็จะหายกลัวแล้วต่อไปมันก็จะไม่กลัวความตายต่อไปเวลาปล่อยในจิตมันจะสงบเลยสงบอย่างลึกถึงฐานเลยพูดง่ายๆสงบแบบไม่ต้องนั่งหลับตาพุทธโธอะไรแบบนี้สงบด้วยปัญญาที่จะเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิก็แบบนี้แหละแบบที่จะต้อง เจอเจอของจริงเจอของแท้เจอความตายจริงๆแล้วก็พิจารณาด้วยปัญญาว่าร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ําลมไอยไม่ใช่ตัวเราของเรามันไม่เที่ยงมันจะต้องมีวันดับมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสือ่อมมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา นี่คือปัญญาของผู้ที่จะปล่อยวางร่างกายจะต้องเห็นร่างกายว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเป็นเป็นเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นเพียงอาการสาสบสองถ้าไปยึดไปติดไปอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันเป็นของเราก็จะทุกข์ถ้าเห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่ามันไม่ได้เป็นของเราก็ปล่อยมันไปไม่ไปอยากให้มัน เพียงไม่ไปอยากให้มันเป็นของเราเราก็จะไม่ถูกกับนแต่ตอนนี้ต้องซ้อมไว้ก่อนต้องสอนใจไว้ก่อนเพราะว่าทํย่างนั้นเวลาถึงเวลามันจะทำใจไม่ได้มันไม่รู้จะปรงยังไงมันไม่รู้จะปล่อยอยังไงต้องซ้อมทั้งสมาธิซ้อมทั้งปัญญาสมาธิก็ฝึกทำใจให้สงบเวลาใจสงบก็ปล่อยชั่วข่าวเวลาจิต สงบนี้จิตก็ไม่ไปสนใจกับเรื่องของร่างกายอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำการบ้านตอนนี้ที่เรามาปฏิบัติกันนี้กเป็นการทำการบ้านตอนแรกก็เป็นการเรียนก่อนฟังเทศฟังธรรมจากครูบาอาจารย์สอนให้นั่งสมาธิสอนให้ทำใจให้สงบ แล้วสอนให้พิจารณาไตรักอา น, นิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้เป็นการเข้าห้องเรียนอย่างตอนนี้ญาติโยมมาฟังเนี่เหมือนกําลังเรียนเรียนธรรมะขั้นที่สองก็เอาไปทําการบ้านเอาไปปฏิบัติการปฏิบัตินี้เราเป็นการทําการบ้านไปฝึกนั่งซำสมาธิทําใจให้สงบปล่อยวางร่างกายด้วยสติก่อนพุโทโธพุโทโธไปพอจิตสงบ ก็จะปล่อยวางร่างกายชั่วข่าวแต่พอถอนออกมามันก็จะกลับมายึดกับร่างกายก็ต้องใช้ปัญญาขั้นที่สองเวลากลับมาอยู่กับร่างกายก็คอยสอนว่าอย่าไปยึดไปติดกับร่างกายนี้นะมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นดินน้ำลมไฟดูสิคนตายนี่มันกลายไปอะไรไป ขี้เท้านี่มันเป็นดินหรือเป็นอะไรเศษกระดูกนี่เป็นอะไรเป็นธาตุดินธาต้น้ําก็ถูกไฟเผาละเหยกลับขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วเดี๋ยวก็ตกลงมาเป็นเป็นน้าฝนเนี่ยพวกเรานี่บางทีกินน้ําฝนก็กินน้ําจากร่างกายของคนที่ตายไปรู้ป่ะคนที่ตายไปไปแล้วธาที่มีอยในนะำธาน้ําอยู่ในร่างกายมันก็ละเหยขึ้นไปบนท้องฟ้าไปเกาะตัวกันเป็นเมฆ อ่ะเดี๋ยวมันก็ตกลงมาเป็นฝ น, นส่วนธาตุไฟมันก็มันก็ออกจากร่างกายแต่ธาตุลมมันก็กลับไปอยู่กับลมมันเป็นอย่างนี้ร่างกายของคนเรามาจากดินน้ำลมไฟพ อ, อเวลาที่มันตายมันก็แยกตัวกันไปนี่คือการทาการบ้านเอาไปปฏิบัตินี่เป็นการทำการบ้านแล้วพอเรา พร้อมที่จะเข้าห้องสอบเราก็ไปหาที่สอบกันไปหาสถานที่ที่มันน่ากลัวไปอยู่คนเดียวไปอยู่กับ อ, อยู่ในป่าเนี่ยอย่างพระที่ท่านไปทุดงท่านไปนอนในปาน่าท่านไม่มีไม่มีกุฏิไม่มีบ้านไม่มีอะไรกลางกดนอนนอนเพิงสิงสารสาัตว์อะไรมันจะมากัดมันก็กัดได้ แต่ท่านก็พร้อมที่จะให้มันกัดหรือพร้อมที่จะตายยอมตายเพราะท่านต้องการที่จะปล่อยร่างกายอันนี้เพราะท่านพิจารณาด้วยปัญญาเห็นแล้วว่าไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากกันเลยเนะั้นมาจากกันตอนตอนนี้เลยดีกว่าจะได้หมดปัญหาไปก็เลยไปหาที่ทดสอบจิตใจแล้วพอไปเกิดความกลัวขึ้นมาก็จะได้ใช้ปัญญาปล่อย พอปล่อยได้จิตก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบแยกออกจากร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรจิตก็จะไม่ไ ม, ไม่ไม่มีปัญหากับมันเนี่ยคือเรียกว่าการปฏิบัติปัญญาก็มีสามขั้นขั้นจินขั้นสุตะก็คือการได้ยินได้ฟังที่เรากำลังฟังอยูน่นี้ขั้นที่สองก็เรียกขั้นจินตาเราไปซ้อมก่อนไปทำการบ้านไปจินตนาการก่อน ไปคิดว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟอย่างนี้เรียกว่าเป็นการจินตนาการคิดไปก่อนแล้วขั้นที่สามก็ภาวนาไปหาของจริงเลยไปหาของจริงแล้วก็ปล่อยเวลาเจอภัยขึ้นมาหรือคิดว่ามีภัยขึ้นม า, าไม่ต้องยากยิ่งนัะ อยู่ในป่าตอนเคยก็เดินเดินเดินไปในที่มืดๆเลยไม่ต้องสายไฟแล้วใจมันจะหลอกเราว่างูเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันจะมากัดมันจะอะไรตอนนั้นอ่ะมันจะกลัวมากว่ะจะเป็นอย่งประจําอ่าก็ปองมันเลยอ่ามืจะคิดเรื่ออกูจะตายให้มันตายไปแต่วันเนี้ยเป็นวันที่ไม่คิดเร่วงหน้าเออให้ไปถอดยากในวันนี้มายอให้ไปเดินสองกิโลกว่าในป่าไม่มีไฟฉายเไม่คนเดียวไปอ่า เดิอกไปเจองูเหยบเลยเอเหยบไปเลย <c oughs> ให้มันตายไปเลยไปตรงไหน เ, เดินไปตรงไหนเนี่ยถ้าขนมันลุกกลัวสูงตรงนั้นแหละเขมีพวกลูกกระเทวทาอยู่ต้องไปก็เสียวเราไม่ต้องการให้ใครมารักษาร่างกายเราหรอกเพราะไม่มีใครรักษาร่างกายเราได้เราต้องการทาํามารักษาใจเราแต่เราต้องให้มันเกิดภัยขึ้นมาในใจเราคือความกลัวตายแล้วเราก็ใช้ปัญญานี่มามาดับมัน ความกลัวตายเกิดจากความอยากความอยากอยู่ความอยากไม่ตายมันก็เลยทําให้เรากลัวตายแต่พอเราใช้ปัญญาว่าร่างกายนี้กลัวแล้วไม่กลัวมันต้องตายแ น, น่ๆกลัวก็เจ็บเจ็บใจไปเปล่าๆทุกไปเปล่าๆสู้อย่าไปทุกข์ใจเลยว่ามวิธีไม่ทุกข์ใจก็ปล่อยให้ร่างกายมันตายพอปล่อยได้มันก็หายหายกลัวแล้วหลังจากนั้นมันจะไม่กลัวตายไปตลอด มันก็ไม่ต้องไปพิสูจน์ละมันไม่ต้องไปดูในป่าไปเดิน <c oughs> หางูอะไรเอาได้เอาตามสบายเอาเดี๋ยวจะให้พรก่อนด้วยวจะได้เผื่อใครอยากจะไป <c oughs> ก็ขอให้ใหายเป็นปกตินะแล้ว <c oughs> ก็ดูแลรักษาร่างกายไป <c oughs> แต่ต้องรักษาใจยิ่งกว่าร่างกายนะ าหายใจปกติหายใจเนี่ยไม่ทุกข์ไม่ค่อยวิตกกัวนแต่เราก็พยายามดูแลใ ห, ให้มันดีที่สุดตามที่บเวลาต้องเลือกระหว่างร่างกายกับใจก็ต้องเอาใจดีกว่าไหวนั่งกายกันใจจะได้ไม่ทุกข์ขออครับออเวลาเราภาวนาจิตสงบถึงฐานแล้ว <จบ S 2> แล้วเวลาจะระจษาฐานนั้นมันยากฮเวลาเราภาวนาจิตสงบลงไปครับเอ ตรงไปจนที่สุดแล้วครับเราจะละจากตรงไหนมันยากนะครับละอะไรตอนนั้นมันละอยู่แล้วเวลาสงบมันก็ละเพียงแต่มันละชั่วคราวตอนนั้นร่างกายเป็นอะไรเราไม่สนใจแล้วแต่มันละชั่วคราวเพรว่าเดี๋ยวมันก็ออกมาแล้วมันก็กลับมารวมอยู่กับร่างกายแล้วมันก็มายึดใหม่เพราะเรายังไม่ได้ทําลายตัวที่ยึดติดเพราะสตินี้ไม่สามารถที่จะทําลายมันได้อย่างถาวร เองแต่กดมันไว้เหมือนเห็นทับหญ้าเห็นเวลาไปทับหญ้าหญ้ามันก็ไม่งอกขึ้นมาพอเราเอาเอาหินออกเดี๋ยวหญ้ามันก็งอกขึ้นม า, มาถ้าอยากจะให้งะหญ้าไม่งอกเลยก็ต้องถอนรากมันเราถึงต้องใช้ปัญญาปัญญาจะเป็นตัวที่ถอนรากตัวกิเลสรากของกิเลสก็คือความหลง ที่หลงไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราที่คิดว่ามันจะเที่ยมมันจะอยู่กับเราไปตลอดเนี่ยเราต้องมาใช้ปัญญามาแก้ตัวนี้พอออกจากสมาธิมาแล้วก็สอนใจอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้มันต้องตายนะเกิดมาแล้วมันต้องตายมันต้องเจ็บร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรามันทามาจากดินน้ำลมไฟสอนไปเรื่อยๆเตืมตัวเติมใจไว้ พอถึงเวลาที่ร่างกายเจ็บก็จะปล่อยมันได้เวลาที่ร่างกายตายก็จะปล่อยมันได้ถ้าไม่สอนไว้ก่อนมันจะยึดมันจะไม่รู้มันจะลืมมันจะหลงมันจะคิดว่าเป็นตัวเราของเราก็จะอยากให้มันไม่เจ็บอยากให้มันไม่ตายยั ง, ยงต้องพยายามสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยเป็นการทำการบ้านเตรียมตัว ไว้เวลาที่เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเวลาเกิดความใกลจะตายขึ้นมาใจจะได้ปล่อยได้แล้วก็จะไม่ทุกข์กับมันหรือถ้าอยากจะไปปล่อยก็ไปหาที่ปล่อยไปไหนที่ไหนที่เรากลัวเราก็ไปที่นั่นที่ไหนที่เรารักตัวกลัวตายเราก็ไปที่นั่นไปจะได้ให้มันเกิดความกลัวขึ้นมา เราจะได้ใช้ปัญญาบังคับให้มันปล่อยพอปล่อยแล้วมันก็จะให้กลัวแล้วมันก็จะไม่มีความกลัวตายต่อไปนัตอน ต, นต้นต้องทำสมาธิให้ได้ก่อนเพราะถ้าทำไม่ได้เวลาไปเจอความเจ็บเจอความตายนี้มันจะไม่มีสติสตังที่จะพิจารณาได้ ที่จะปล่อยได้ทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่พอไปเจอความตายนี่มันใจมันสั่นไปหน่อยมันกลัวแต่ถ้ามีสมาธินี่มันจะเฉยแล้วก็ถ้ามันจะทุกข์มันก็ใช้ปัญญาหยุดมันได้เรียต้องฝึกสมาธิแล้วฝึกปัญญาไปจนกว่าเราจะคิดว่าเราพร้อมแนละ้วเราก็ไปหา เอาที่ทําทำข้อสอบส่วนใหญ่ก็ไปในที่ในที่มืดๆที่น่ากลัวเรากลัวอะไรก็เดินลุยก็ไปหามันเลยกลัวงูก็เดินหางูไปเลยกลัวเสือก็ไปหาเสือตรเคยได้ยินมาว่าเวลาคนเราจะตายอ่ะครับถ้าเกิดว่าจิตนึกถึงพันธิพาแล้วจะไปพันธิพาได้ครับ แล้ถ้าคนไม่ปฏิบัติเราก็จะตายแล้วจิตเป็นเลถึงผลิพานขึ้นมาเพราะว่าได้ยินได้ฝังมานี่จะไปหรพอผ่านได้หรือตอนจาตายพระพุทธเจ้าทรงสอนในการระมั่สูตรอยว่าใครจะพูดอะไรก็อย่าไปเชื่อเขาพูดอะไรก็ฟังหูไหว้หูไม่ต้องเชื่อไม่ต้องปฏิเสธเอาไปพิสูจน์ดูก่อนว่าจริงหรือเปล่าไม่งั้นคนก็ไม่รู้ คนนี้สมัยนี้พูดเลยร้อย800 0ัประการแล้วคุณต้องใช้เหตุผลวิเคราะห์ดูเน่ยมันจริงหรือไม่จริงมันเป็นไปได้ไหมเพียงแต่คิดถึงนิพพานแล้วจะไปถึงนิพพานเนตอนนี้ก็คิดเสร็จทำไมต้องไปรอตอนตายคิดเลยเห็น <c oughs> ไหคิดไปเลยนิพพานขอให้ไปนิพพานขอได้ก็สบายไม่ต้องมานั่งทําบุญทําทานไม่ต้องมารักษาศีลไม่ต้องภาวนา กิเล้าเมายายิ่งเวลาเมานี่ขอไปนิพพานเลยใช่มมันเป็นไปไม่ได้หรอกยังเขายังไม่รู้แล้วคำว่านิพพานมันเป็นอะไรคนพูดมันไม่รู้กันคำว่านิพพานก็คือการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภโกรธหลงความอยากต่างๆไอตัวโลภโกรธหลงความอยากนี้มันอยู่เฉยๆคิดเฉยๆให้มันตายมันไม่ตายหรอก เอาไม่เชื่อคุณตอนนี้เดี๋ยวคุณอยากอะไรคุณลองอย่าไปทํำดยดูที่ว่ามันจะมันจะตายไหมเนี่ยเวลาเกิดความถ้าอยากจะทําลายความอยากความโลบเวลาเกิดขึ้นมาต้องอย่าไปทําตามเลยเช่นคุณอยากบุหรี่ถ้าอยากสูบบุหรี่อยากไปสูบมันเหมือมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันความอยากมันก็จะหายไป คนที่เขาไม่สูบบุหรี่เขาไม่มีความอยากกันใช่ไหมเขาเองบุหรี่เขาก็เฉยๆเพราะเขาไม่เขาไม่มีความอยากคนที่สูบาะไม่มีความอยากพอมีความอยากแล้วทําตามความอยากความอยากมันก็จะมาโผล่มาเรื่อยๆสูบมวลนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะมีความอยากสูบอีกมวนหนึ่งมันก็จะไม่หยุดถ้าอยากจะหยุดความอยากก็ต้องไม่สูบเวลาอยากก็ไม่สูบ พาไม่สูบไปสักไม่นานความอยากมันก็หมดกําลังไปเนั่นแหละเราต้องตัดความอยากสามตัวกามตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสภาวตันหาความอยากมีอยากเป็นเช่นอยากจเจริญในลาบยศสรรเสริญสุขนี้เรียกว่าภาวะตันหาวิภาวะตันหาก็คือความไม่อยากให้ลาบยศสรรเสริญสุขเสื่อมนั่นเองวิภาวตันหา อยากจะให้มันเจริญอย่างเดียวไม่อยากให้มันเสือ่อมพอเวลาลาบยศสรรเสริญสุขเสื่อมก็ทุกข์ลวเวลาที่ลาบยศสรรเสริญสุขไม่เจริญก็อยากจะให้มันเจริญก็ทุกข์อีกอยากให้เจริญก็ทุกข์อยากให้มันไม่เสื่อมก็ทุกข์อยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็กทุกข์เวลาเสียสิ่งที่เราได้เสียความสุข ทางตาหูจมูกนิ้นกายไปก็ถูก น, นถ้าเราอยากจะไปนิพพานอยากจะให้ใจเราเป็นนิพพานเราก็ต้องตัดความอยากทั้งสามตัวนี้ตัดกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาผู้ที่จะตัดได้จริงๆก็พวกนักบวชเนี่ยเวลามาบวชนี่เขาก็ต้องตัดราบยศสรรเสริญตัดความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกาย ผู้ที่ไปได้นิพานี่ส่วนใหญ่จะเป็นพระเป็นพระปฏิบัติ่แต่พระที่ไม่ปฏิบัตินี้ท่านก็ยังมีการแอบไปหาลาบยศสรรเสริญแอบหารูปเสียงกลิ่นรสหยดอะเป็นพระที่ยังไปหาอะไรต่างๆสั่งนู่นสั่งนี่มาอยู่เนี่ยสั่งอาหารมากินไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ อันนี้ก็ยังอยากในรูปเสียงกลด็ดล้อเจืออยากได้ตําแหน่งอยากได้ยศท้าบรรดาศักดิ์อันนี้ก็เป็นภาวะตัณหาแล้วก็อยากไม่เสือ่อมอยากเจริญอย่างเดียวอยากให้ขึ้นไปเรื่อยๆอยากขั้นนี้ก็ไปสู่ขั้นนู้นจากขั้นนู้นก็ไปสู่อให้มันถึงขั้นสังกราชให้ได้อันนี้ก็มันก็เป็นภาวะตัณหา แต่อย่างนี้ก็ถือว่าไม่ได้มาบวชเพื่อมาตัดกิเลสไม่ได้มาบวชเพื่อพระนิพพานถ้าบวชพระนิพพานก็ต้องแบบหลวงปูม่มั่นครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านไปอยู่ในป่าคนเดียวหลวงปู่มั่นนี่ท่านไปบปําเพ็ญอยู่ในป่าที่เชียงใหม่องเดียว10ปีอยู่กับชาวเขาตัดกามตัณหาะะตัดภาวะตัดภวะตัณหาปัดตัดวิภาวะตัณหา อันนั้นอะ่ะจิตถึงจะเป็นนิพพานได้ไม่ใช่เวลาใกล้าตายแล้วก็คิดถึงนิพพานคิดว่าตอนนี้เราไม่มีตัณหาแล้วมันไม่ได้ตายเพราะความคิดหรอกที่เลยมันตายด้วยการปฏิบัติด้วยการฝืนฝืนความอยากไม่ทำตามความอยากเช่นอยากไม่ตายก็ต้องยอมให้มันต้องให้มันตายต้องตัดความอยากไม่ตายไปเมื่อถึงเวลาจะตาย ให้มันตายไปเรื่มันถึงจะไปถึงนิพพานได้แต่ความอยากมันมีหลายตัวหลายชั้นก็ต้องตัดไปเรื่อยๆไม่ใช่ตัดทนุนเดียวแล้วมันจะหมดเนี่ยมีสี่ชั้นชั้นพระโสดาบันชั้นพระสกิดาคามีชั้นพระอนาคามีชั้นพระอรหันต์มันเกี่ยวกับเรื่องของความอยากทั้งนั้นพระ โสดามันก็อยากไม่แก่ไม่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายละตัวนี้ได้พระโสดามันไม่กลัวความตายไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเสื่อมของลาบยศสรรเสริญหรือว่าได้มาก็ต้องเสียไปพระสกิดากวามนีก็ตัดความอยากในการอารมณ์ได้ครึ่งหนึ่งทําให้มันเบาบางลงไปจากการที่มีความ าการมารมแรงก็ลดให้มันน้อยลงเหลือประมาณครึ่งหนึ่ง น, นี่ก็เป็นพาะสกิดาคารีดยการดูร่างกายว่าเป็นอสุภะเห็นร่างกายของใครสวยๆงามๆน่ารักรูปหลอ่อรู ป, รปสวยก็ดูเข้าไปให้มันเป็นซากศกไปดูให้มันเห็นสิ่งสกปรกสกุลกงต่างๆที่มีอยู่ในร่างกาย พอเห็นแล้วมันก็จะทําให้การอารมณ์ดับไปได้พระสกิรดาคารีก็ทําได้เป็นบางครัง้งบางคราวทำยังทําไม่ได้ตลอดเวลาเวลาเผลก็ยังเกิดการอารมณ์ขึ้นมาได้ส่วนพระอนาคามีนี่จะเห็นอสุภาพตลอดเวลาเห็นกายพบนี่จะเห็นอสุภาพก่อนแทนที่จะเห็นว่าชื่ออะไรนี่เห็นอสุภาพก่อนเลยเห็นใครพบนี่เห็นอสุภาพเข้าก่อน ไม่ปนสนใจว่าเป็นชื่ออะไรเป็นลูกของใครเป็นเป็นคนระดับไหนชั้นไหนอะไรดูปั๊บขอดูอสุภะก่อนนะ mm hmm. ก็จะไม่มีวันที่จะเกิดการอารมณ์ได้ mm hmm. นี่คือระดับขอ ง, mm hmm. ข, องของพระอนาคามีตัดความอยากทางการอารมณ์ได้ส่วนระดับของพระอาหารหันต์ท่านก็ตัดความอยากในความความอยากในธรรมอารมณ์ อันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องร่างกายแนละ้วเกี่ยวกับเรื่องใจเรื่องจิตจิตนี้ก็ยังมีอารมณ์ต่างๆที่ที่ยังน่าน่ารักน่าพิศวงน่าติดอยู่แล้วมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกับร่างกายก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าไปติดกับอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจเช่นเราติดอารมณ์ดีกันนะ วันไหนอารมณ์ดีนี่เรามีความสุขอยากจะให้มันอารมณ์ดีไปเรื่อยๆพอไปเจอวันไหนอารมณ์ไม่ดีนี่ก็โหนดอยากจะให้มันหายอันนี้เรียกว่าติดอารมณ์ไม่ได้ติดร่างกายไม่ได้ติดอะไรร่างกายผ่านไปแล้วสำหรับพระนาคานี้ท่านไม่ติดกับเรื่องของร่างกายแนละ้วแต่ท่านยังมาติดกับเรื่องอารมณ์ที่มีในใจของท่า น, นอยากให้มีแต่อารมณ์ดีไม่อยากจะให้มีอารมณ์ไม่ดี แต่อารมณ์มันก็นิจังไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีขึ้นมีลงพวกคุมบังคับมันไม่ได้ถ้าไปอยากมันก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากมันก็จะไม่ทุกข์มันก็เหมือนกับร่างกายเนี่ยพิจารณาแบบเดียวกับร่างกายร่างกายมันก็มีเจริญมีเสื่อมก็อยากให้มันเจริญไม่อยากให้มันเสื่อมอารมณ์ก็เหมือนกันอารมณ์ก็อยากจะให้มันดีไม่อยากให้มันไม่ดี มันก็เลยทุกพอเข้าใจก็ปล่อยนะอารมณ์ดีก็ปล่อยอารมณ์ไม่ดีก็ปล่อยปล่อยให้มันมาให้มันไปตามเรื่องของมันใจก็จะไม่ทุกข์กับอารมณ์อีกต่อไปไม่เสพอารมณ์ใจก็จะเสพแต่ความว่าใจก็จะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจต่อไปนั่นแหละความอยากก็หมดนะอันนั้นหละ ถ, ถึงไปพระนิพพานได้ นีขนาดคิดแบบนี้ยังไปไม่ได้นะอันนี้เป็นเพียงแต่ความคิดเท่านั้นนะพอถึงเวลาจริงๆเห็นกาแฟมันก็น้ำลายไหลแล้วเห็นขนมก็น้ํำลายไหลแล้วเห็นอีหนูเห็นแม่บ้านเดี๋ยวก็อยากจะไปนอนกับแม่บ้านแล้วมันน้องไม่ใช่เพียงแต่คิดคิดแล้วต้องทําด้วยไม่ใช่ว่าคิดว่าผมเลิกได้หมดแล้ววันี้ผมจะเริกเมื่อไหร่ก็เลิกได้แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเลิกพอสู่ไปก่อน ไม่หนูยังอยู่กับเขาต่อไปได้ยังไม่ถึงเวลาเลิกกันเลิกเมื่อไหร่ก็เลิกได้นี่มันเป็นแต่ความคิดมันไม่ได้เป็นการกระทาถ้าเป็นการกระทามันต้องเลิกทุกอย่างได้ทันทีเลิกเดี๋ยวนี้เลยพิสูจน์กันเลยใอ้มันจะจะเลยอันนี้แหละเรียกว่าการทำใจให้เป็นพระ น, นิพพานต้องทำลายความอยากที่มีในใจให้หมดไป เขาใจไมเข้าใจครับแล้วเครื่องมือที่จะทําทให้เราตัดได้ก็คือศีลสมาธิปัญญานเนี่ยต้องรักษาศีลโดยเฉพาะศีล8ปดผู้ที่ต้องการที่จะตัดความอยากนี้ต้องรักษาศีล8ศีลห้ายังยังยังมีช่องโหว่เยอะความอยากยังทะลุออกได้เยอะอยากนอนกับแฟนยังนอนได้อยู่ถือศีลห้าอยากไปเที่ยวยังไปเที่ยวได้อยู่ แต่ถ้าถือศีนแปดนี้ไปไม่ได้แล้วนอนกาแฟก็นอนไม่ได้แล้วเราก็จะได้มีเวลามาภาวนามาทำใจให้สงบถ้าใจสงบแล้วใจก็จะอิ่มใจก็จะมีกำลังที่จะปล่อยความอยากได้เรามีความสุขที่ดีกว่ามาทดแทนความสุขที่เกิดจากการทาตามความอยากเราก็จะหยุดการทำตามความอยากได้ แต่ถ้าเราไม่มีความสุขจากความสงบจากสมาธินี้เราหยุดไม่ได้หรอกเราสู้มันไม่ไหวพอเห็นหน้าแฟนก็ใจอ่อนไปหมดแล้ว <Yeah. S 1> เห็นขนมนมเนย <Yeah. S 1> เห็นอะไรที่เราเคยชอบ <Yeah. S 1> เคยดื่มเ <Yeah. S 1> คยรับประทานนี้ <Yeah. S 1> เห็นแล้วมันไม่มีกาลังที่จะสู้กับม่ได้ <Yeah. S 1> แต่ถ้าเรามีสมาธิ <Yeah. S 1> เราเข้ามีความสงบมีความสุขจากสมาธิ เราจะมีกำลังที่จะต้า น, นได้สู้มาได้เฉยได้ห้ามใจได้มันต้องมีสมาธิก่อนถึงจะสามารถใช้ปัญญามาห้ามใจได้ปัญญาก็จะสอนว่าทำตามความอยากแล้วมันทุกข์นะเพราะมันจะต้องทำไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดตายไปก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะความอยากมันไม่ได้หมดไปด้วยการทาตามความอยากแต่มันจะ โผล่ขึ้นมาเรื่อยๆมันอาจจะหายไปชั่วคราวเช่นอยากกินอะไรพอได้กินแล้วความอยากนั่นก็หายไปเดี๋ยวไม่นานมันก็โผล่กลับขึ้นมาใหม่ถ้าถ้าไม่อยากจะกินก็อย่าไปกินมันเวลาอยากกินอะไรอย่าไปกินมันสักพักหนึ่งต่อไปมันเห็นอะไรมันจะเฉยเฉยนี่คือวิธีที่เราจะกำจัดความอยากต่างๆต้องใช้สมาธิต้องใช้ศีลใช้ปัญญา งจะสามารถมีพลังที่จะสู้กับมันได้ตอนนี้เราไม่มีพลังเดี๋ยวพอเราเห็นอะไรที่เราอยากได้เราก็เราก็ไปเอาละไปทำลวหรือถ้าฝืนก็อาจจะฝืนได้ครั้งสองครั้งเดี๋ยวสักพักเนี๋ยวก็ฝืนไม่ไหวสู้ไม่ไหวแต่ถ้ามีสมาธินี่เวลาอยากอะไรแล้วมันรู้สึกเครียดรู้สึก ทุกก็เราก็เข้าสมาธิแทนไปทำใจให้สงบความเครียดความหงุดหิดลำคาญใจจากการมีความอยากก็จะหายไปแล้วความอยากนั้นเราก็ไม่ต้องไปทำตามเลยทำงี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หมดกำลังไปเองอันนี้มันต้องปฏิบัติถึงจะถึงจะเห็นผล ให้มันมีความอยากเกิดขึ้นมาแล้วถึงใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาสู้กับมันถ้าเราไม่มีสติสมาธิปัญญามีกําลังสู้มันไม่ได้ก็ยอมแพ้มันไปอย่างที่คุณไปบวชมาใช่ไหมตอนที่คุณไปบวชคุณก็ถือศีลไดนะ้ไปนอนกาแฟนไม่ได้แนละ้วไปเที่ยวไม่ได้แนละ้วแต่มันก็ยังดิ้นอยู่ข้างในครับ <c oughs> ดิ้นอยู่กระทั่งทนไม่ไหวก็เลยต้องเสื็จอกอกมาครับ <c oughs> สิอกีเลไม่ทนเออถ้าคุณมีสติสมาธิปัญญาคุณอาจจะไม่เสือกกได้อาจจะบอกโยมว่าเราคงจะไม่ได้ร่วมกันละขอแยกทางกันละเหมือนมีนิทานที่เขาเล่าให้ฟังว่าพ่อไปบวชเนะ่ยลูกก็มาเยี่ยมหลวงพ่อทุกวันก็มาเล่าเรื่องของแม่ให้ฟังว่า แม่ก็จะขายนาแล้วนะขายก็ขายไปแม่ก็จะขายบ้านนะขายก็ขายไปแม่ก็จะไป ม, มีแฟนใหม่แล้วเว้นไม่ได้แล้วนแสแดงว่าไม่ได้พิจารณาสุภาพเลยถ้าพิจารณาสุภาพอยู่เรืเอ่อยๆอ่ะใครอยากจะเอาซากศพก็เอาไปต้องเห็นร่างกายเป็นซากศพ เวลาตายเนี่ยอยากจะไปนอนกับซากศพหรือเปล่าเวลาแฟนนอนเวลาตายนี่รักกันขนาดไหนก็ไม่เก็บศพไว้นอนอีกคืนเลยใช่ไหมยกให้สับปเปลลื่นได้อย่างง่ายดายเนี่ยเราไม่พิจารณาร่างกายให้เห็นว่ามันเป็นซากศพกยังเห็นว่าเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาอนะัน <c oughs> นี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนา ปฏิบัติเพื่อมาทำลายความอยาก้าตัดความอยากสามตัวนี้ได้จิตก็จะเป็นพระนิพพานขึ้นมาเมีบางทีเราหลงประเด็นกันเรานั่งสมาธิกันเราเห็นนู่นเห็นนี่จิตสงบแล้วคิดว่าเราถึงแล้วอันนี้เป็นเพียงสร้างเครื่องมือกันรักษาศีลได้ก็คิดว่าโอ้ยเราเก่งแล้วแต่ไม่รู้ว่ารักษาศีลไปทาไมนั่งสมาธิไปทาไมจเจริญปัญญาไปทาไม เพื่อจะได้เป็นเครื่องมือเพื่อที่จะให้ใจเรามีกำลังไว้สู้กับความอยากต่างๆต้องทำลายความอยากส้มตัวนี้กามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาพอสามตัวนี้เวลามันเกิดขึ้นมันจะทำให้ใจเราสัน่นทำให้ใจเราหงุดหงิดทำให้ใจเราไม่สบายอยู่ไม่เป็นสุข แต่ถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาเราจะสามารถกําจัดมันได้ทุกครั้งที่มันโผล่ขึ้นมาแล้วเราก็จะอยู่เฉยๆสบายไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีราบยศสรรเสริญไม่ต้องมีคู่ครองไม่ต้องมีอะไรแ ม, ม้แต่ร่างกายก็ไม่ต้องมงถึงเวลาที่จะต้องปล่อยร่างกายแยกกันไปก็ปล่อยได้อย่างสบายเพราะขณะที่มีก็ไม่ได้ใช้มันละไม่ได้ใช้มันพาเราไปเที่ยว ไมด้ใช้มันพาเราไปกินไปดื่มเมื่อก่อนเาใช้มันพาเราไปกินไปดื่มให้ความสุขพอเราไม่มีความอยากแล้วเราต้องเลี้ยงมันให้มันกินให้มันดื่มแต่ไม่ได้กินเพื่อเราละกินเพื่อมันจริงๆกินเพื่อร่างกายจริงๆแต่ตอนนี้เรากินเพื่อใจมากกว่ากินอาหารนี่ต้องเลือกกินใช่ไหมอาหารต้องอร่อยต้องถูกใจถึงจะกินได้ อันนี้เรียกว่ากินเพื่อเพื่อใจไม่ได้กินเพื่อร่างกายแต่พอไม่มีความอยากแล้วเวลากินมันจะกินเพื่อร่างกายไปกินอะไรก็กินได้มีอะไรก็ยดัดยัดเข้าไปเคียเค้ยวเคี้ยว ก, กืนกืนเข้าไปให้มันอิ่มก็พอให้มันไม่หิวก็พอไม่ต้องไปสนใจว่าต้องเป็นอาหารชนิดนั้นชนิดนี้นะนี่คือเรื่องของการปฏิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนา ปฏิบัติเพื่อมาละตัณหาทั้งสามนี้ด้วยการเจริญมัชมัช ก, ก็คือศีลสมาธิปัญญานี่คือแก่นของศาสนาอาริยสัจสี่ความทุกข์เกิดจากความอยากความทุกข์จะดับได้ก็ต้องเกิดจากมัชคือศีลสมาธิปัญญาการมีศีลสมาธิปัญญาก็เพื่อมีมาเพื่อที่จะมาทําลายความอยาก ไม่ใช่มีศีลสมาธิปัญญาแล้วก็เอามาใช้ทําตามความอยากบางคนได้ศีลสมาธิปัญญาแล้วก็เอาไปแสวงหาราบยศกันละเสรยัะนั่นก็ผิดแล้ะไ้ทําตามความอยากไม่มีสติอ่ามีใครอยากจะถามอีกไหมเดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้ทางบ้านเขาได้ถาม ใครอยากจะกลับก็กลับได้นะไม่มีไม่มีช่วงพักแล้วนะออตามสบายเพราะตอนนี้นอกจากญาติโยมที่มาที่นี่แล้วมีติดตามทางบ้านกันตอนนี้มีการถ่ายทอดสดผ่านทั้ง YouTube ทั้ง Facebook แล้วมีคนร อ, อ, อมันจากที่ไหน วิจ yes. uh ิต huh. ค่ะว right? ิจ okay, so uh ิตนะฝากของน้อยค่ะ huh. อ okay, okay. okay, ๋อมาของหลวงพ่ออะไรนะหวงปู่ชันชาตตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วใครเป็นหัวหน้าแทนอาจารย์เสกเสียงดีไหมท่านดีไหมโอเคคนะท่านก็เอาตามตามแนวทางของหลวงปู่มาจัดเพชรบุรีมาด้วยกันอ๋อ มาด้วยกันวันนี้มาหล่อพรนะกับนัปู่นักเกตหน้าตักร้อยเก้านี้ตอนเช้าเอ<ม>กาเกันพี่อาจารย์เไปเพชรบุรีไหมจ๊ะเพชรบุรีเลยนะไปสมัยที่ยังไม่ได้บวชเป็นเด็กๆนะไปหัวหินอะไรอย่างเลยนะ้ยผ่านเพชรบุรีใช่ไหมไป<ะ>นั่งรถไฟไปเคยไปหัวหินครั้งสองครั้ง เคยไปเที่ยวแต่นั่นมันยำแดนมันมีถ้ำอะไรใช่หมเพชรบุรีราชบุรีเขาบ่งถ้ำหลวงอ่ใช่สมัยตอนเด็กๆเรียนหนังสือโรงเรียนจัดพาไปเป็นรเสือเดินไปเริงเยอะเพชบุรีนี่มีขนมหวานเยอะเลยขนมเยอะขนมหวานเป็นตาเยอะ เ้ยงเขาหลวงนยมารยาทดีไงจะลีงเขาบางังหนูโผไหมมารยาทไม่ดีหน้าตาดุร้ายนักเล <c oughs> เดี๋ยวจะได้ขอใช้เวลาตอบไปนี้ให้กับผู้ที่อยู่ทางบ้างที่อยากจ ะ, ะถามคำถามที่นี่ใครอยากจะถามก็ถามได้มีอะไรไหมังจากน้องคายมีอะไรบ่าง ได้นะครับคำถามถามได้นะปฏิบัติได้นะลาไก่ครับคาถามจากทาง facebook Live นะครับจะคุณน้ำใสเย็นนะครับระหว่างการปฏิบัติตามรู้ปัจจุบันใจหนีไปแล้วรู้กับการปฏิบัติแบบนิมิตดวงแก้วแตกต่างกันอย่างไรแบบไหนเป็นวิปปัตนาและจะทราบอย่างไรว่าแบบไหนเหมาะกับเรา คือเราก็ไม่ทราบว่าปฏิบัติทั้งสองแบบเป็นยังไงเพราะเราไม่เคยปฏิบัติปฏิบัติตามรูนี่ตาม ร, ร, อรูอะไรรูกิเลสหรือรูอะไรแล้วปฏิบัติดูลูกแก้วดูไปเครื่ออะไรเลยไม่เข้าใจถ้าปฏิบัติ Uh ที่พูะเจ้าสอนก็ปฏิบัติเพื่อให้ใจสงบเป็นสมาธิก็ต้องมีอะไรผูกใจไว้อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นคำบริกรรมพุทโธหรืออะไรที่เราใช้ผูกใจได้ก็ใช้ได้อนาปานสติก็ใช้ลมหายใจเข้าออกมรณานุสติก็ระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยอันนี้ก็จะเป็นการทำใจให้สงบเป็นสมาธิ อันนี้คือหลักการของการทำสมาธิต้องมีอะไรเป็นเครื่องผูกใจไม่ใช่ไม่ใช่ไปตามรู้ใจตามรู้ไปมันเหมือนตามวัวตามควายมันก็เดินไปเรื่อยแล้วก็เดินตามมันไปเรื่อยมันก็ไม่มีวันหยุดยถ้าตามดูใจไปเรื่อยมันก็คิดของมันไปเรื่อยๆคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างก็ดูไปมันก็ไม่มีวันนิ่งมันก็จะไม่เป็นสมาธิ ยังไปตามรู้ยังจะไม่มีวันที่จะทําทใจให้สงบได้จะต้องผูกใจไว้กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นพุโทโธเช่นมอนานุสติเช่นอานาปนาสติลมหายใจก็ออกอันนี้ก็แล้วแต่สภาพที่เราอยู่เช่นลมหายใจนี่จะจะใช้กันตอนที่นั่งสมาธิแต่ตอนที่ไม่ได้นั่งตอนที่ทํากิจกรรมอะไรต่างๆใช้พุโทโธก็ได้ เลืใช้การใช้ดูร่างกายเฝ้าดูร่างกายทำกิจกรรมอะไรต่างๆก็ได้ให้มีอะไรปูกใจไม่ปล่อยให้ไปคิดปรงแต่งเลือ่อเปื่อยอันนี้ถึงเรียกว่าเป็นการทําสมาธิทําสมาธิเพื่อทําใจให้สงบเมื่อใจมีความสงบแล้วก็จะมีกำลังที่จะพิจารณาทางปัญญาแล้วก็จะมีกำลังที่จะหยุดตัณหาหยุดกิเลสได้ มีสมาธิแล้วก็ต้องสอนใจให้ฉลาดให้ไม่ให้หลงไปยึดติดกับสิ่งต่างๆเพราะสิ่งต่างๆมันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันมีวันเสื่อมมีวันหมดทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราเราไม่สามารถไปสั่งมันให้มันเป็นตามที่เราต้องการได้เสมอไปเวลาสั่งแล้วไม่ได้มันก็จะเสียใจอันนี้ปัญญา สอนให้ใจปล่อยวางร่างกายปล่อยวางสิ่งต่างๆอาจจะปล่อยได้ไม่ได้ก็อยู่ที่กำลังของสมาธิถ้ามีสมาธิมีกำลังก็จะปล่อยได้นี่คือเรื่องของอสมาธิและปัญญาหรือสมถะวิปัสสนาเป็นในลักษณะแบบนี้แต่ลักษณะแบบตามรู้ตามรู้ดูลูกแก้วแล้ว ถึงขั้นนู้นถึงขั้นนี้โดยที่ไม่ต้องพิจารณานี้ก็ดีดูลูกแก้วไปเรื่อยๆแต่เดี๋ยวลูกแก้วก็จะพาไปขั้นสูดาบันขั้นสักดีดาคามีขั้นอนนาคามีเีพระผู้เจ้ า, าสอนให้พิจารณารมต่างๆทําไม <S 1> <S 1> สอนพิจารณาให้พิจารณาไตรักพิจารณาอสุภะไปทําไมใช่ไหมถ้าเพียงแต่เพ่งดูเฉยๆแล้วมันก็พาไปเลยการคำถามต่อไปคําถามจากคุณหมูนะครับ หากชาตินี้ลูกฝึกนั่งสมาธิได้ในระดับอัปนาสมาธิแล้วเมื่อลูกตายไปแล้วลูกได้ไปเกิดชาติหน้าลูกจะมีสมาธิระดับอัปนาสมาธิติดตัวไปด้วยหรือเปล่าเจ้าคะมีมีมีมากมีน้อยก็อยู่ที่ความชํานาญของเราถ้าเรามีมากมันก็จะมีบ่อยบางจะอยู่เฉยๆคนเดียวจิตมันก็วุบลงไปสบายเหมือนพระพุทธเจ้าเห็นไหมตอนที่เป็นเด็กนี่มีวันหนึ่งท่านอยู่ตามลาพัง บรรดาขาราชบริพาลเขาไปทำภารกิจอย่างอื่นอยให้ท่านประทับอยู่ใต้โคนไม้อยู่เพียงพระองค์เดียวพอไม่มีใครมารบกวนพระทัยจิตก็เลยดวมเพะพอกายวิเวกจิตก็เลยวิเวกเพราะอดีตชาติมีอัปปนาสมาธิมาแล้วสมัยเป็นพระเวชสังดอนท่านก็มำเพนอยู่แล้วมาเลยติดมากับใจ แต่ไม่มีโอกาสรวมเพราะว่าเวลามีคนมาคุยมีคนเอาขนมนมเนยมาให้กินมันก็ติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยพอวันนั้นไม่มีใครมาบันไม่มีใครมาบริการขนมนมเนยก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีไม่มีใครมาร้องเพลงให้ฟังไม่มีใครมาเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาไปทําภารกิจต่างๆหมดปล่อยให้ท่านอยู่องค์เดียว อยงเดียวก็กายก็วิเวกการว่างกายวิเวกก็คือปราศจากรูปเสียงกลิ่นรสตอนกายวิเวกจิตที่เคยวิเวกแล้วมันก็เลยวิเวกขึ้นมามันก็เลยสงบขึ้นเนี่ยถ้าใครมีของเก่ามาแล้วเนี่ยพอมานั่งสมาธิห้นาที10นาทีรวมแล้วคุณแม่ชีแก้วเนี่ยพอหลวงปู่มั่นบอกให้พุโทโธพุโทโธเนี่ยพอลองนั่งครั้งแรกก็5นาทีจิตก็รวมลวนี่คือบางมีเก่างานของเก่าที่เราทําไว้ ของทุกอย่างที่เราทำเช่นศีลสมาธิปัญญาเนี่ยทำได้มากทำได้น้อยมันจะติดไปกับเราทำไมคนบางคนเกิดมาถึงชอบรักษาศีลกันคนทาไมคนบางคนชอบใส่บาตชอบทำบุญกันก็เพราะเขาเคยทำมาก่อนคนบางคนทำไมชอบกินเหล้ากันกเพราะเขาเคยกินมาก่อนมันเคยทำอะไรมามันจะติดมากับใจนิสัยไงเขาเรียกว่านิสยัยนิสัยดีก็เรียกว่าบุญบารมี นิสัยไม่ดี ก, <c oughs> ก็เรียกว่าวิบากกรรมคนที่มีชอบทําความชั่วเราเรียกนิวิบากกรรมเยอะกรําเยอะ <c oughs> ชอบทําบาปชอบฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีดื่มสุรายาเมาเสพอบายมุขต่างๆพวกนีก้เรียกว่าพวกมีวิบากกรําพวกที่ชอบทําบุญทําทานรักษาศีลภาวนา น, นี่เป็นพวกมีบุญบรารมีติดตัวมา คำถามจากคุณเล็กนะครับพระอาจารย์ว่าให้ดูตัวเราเป็นซากศพแล้วด้านจิตใจควรดูว่าเป็นซากศพที่ไม่มีการรับรู้ทุกอย่างที่มากระทบจิตควรปฏิบัติอย่างไรคะจิตมันไม่มีซากศพ ไ, ไปดูจิตทำไมจิตไม่จิตมันเป็นตัวรู้เท่านั้นเองมันไม่มีรูปไม่มีร่างตัวรู้ตัวคิดเองแต่ว่ามันหลงไปติดอยู่กับร่างกาย ไปติดร่างกายของตนเองว่าเป็นเป็นเป็นตัวของตนเองไปติดร่างกายของของคนอื่นเพราะเห็นว่าสวยว่างามก็เลยต้องเห็นว่ามันไม่สวยไม่งามร่างกายของเราก็ต้องเห็นว่ามันต้องตายเพื่อจะได้ตัดเพื่อจะได้ปล่อยได้การเห็นให้เห็นอย่างนี้จิตไม่ต้องไปเห็นอะไรนจิตมันหลงมันต้องการมาแก้ความหลงที่เห็นผิดเป็นชอบเห็นโกงจักเป็นแบบบัว เห็นซากศพว่าเป็นนางงามจักรวาลเนี่ยจางเลยต้องเห็นกลับกันกับตาลปัดต้องเห็นกลับตาลปัดต้องเห็นนางงามจักรวาลเป็นซากศพเห็นดาราภาพยนตร์เป็นซากศพเห็นนายแบบเป็นซากศพและเห็นแล้วมันก็จะได้ละความหลงได้ละตัณหาความอยากคือกามาหลงได้กามราคะได้ คำถามจะคุณปียานะครับแค่แค่ธรรมะเบื้องต้นจิตลูกหลานก็สว่างดีผึ่งเลยเจ้าค่ะหยุดความอยากหมดความอยากแค่นั้นก็จบสยบกิเลสทุกตัวใช่ไหมคะก็ต้องพิสูจน์ดูมันทุกตัวแล้วเปล่าตัวยามันมันไม่ได้ทันครั้งเดียวทุกตัวหรอกมันก็ต้องไล่ไปเรื่อยๆอย่างสีขั้นเนี่ย ความอยากสี่ท่นความอยากระดับของพระสวดาบันของพระสกิดาคามีของพระอนาคามีของพระอรหันต์นีมน่มันมันมันมีหลายตัวด้วยกันมันไม่ใช่ว่าพอหยุดตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วตัวอื่นมันจะตายหมดไม่ใช่มีสิบตัวถ้าเรียกสังโยชนชื่อว่าสังโยก็มีอยู่สิบตัวคำถามจากคุณชาลิดานะครับ พระอาจารย์เน้นให้เราออกบวชเพื่อละความอยากในกรณีสําหรับโยมที่เป็นผู้หญิงจึงอยากให้พระอาจารย์แนะนําว่าเราจะสามารถออกบวชได้อย่างไรก็มีสำนักเมชีเยอะแยะไปเนยไปบวชอยู่สำนักเมชีได้มีน้อนเท่านั้นเองแต่มีถ้าอยากจะบวชมีที่ไปเราทําเมชีบวชกันเยอะๆขึ้นก็จะมีสร้างสำนักเพิ่มขึ้นไปเองแหละจำไหม พอแม่ชีบรรลุ ก, ก็จะมีคนศรัทธาไปสนับสนุนเองค้เขาไม่ได้รู้ว่าเป็นพระ ห, หรือเป็นแม่ชีหรอกเขาดูว่าเป็นพระอริยะหรือไม่เป็นพระอริยะถ้าเป็นพระอริยะเขาก็ยินดีที่สนับสนุนเพื่อหลุดพ้นเนี่ยจำเป็นจะต้องเป็นแม่ชีจริงๆไม่ได้ชีพราหมณ์ใช่ไหมครับอาจารย์มันก็ถ้ายังเป็นแม่ชีพราหมณ์มเป็นเป็นนักบวชชั่วคราวเนยเพราะว่าวันไหนเบือ่อ คนไหนคิดถึงแฟนก็เลือกถือศีล8กลับมาถือศีลห้าได้แต่ถ้าเป็นแม่ชีแบบโกนหัวนี่หมายควาว่าไม่ไม่มีวันถอยหลังแล้วก็จะบวชไปตลอดเป็นถือศีล8ไปตลอดแต่ลักษณะของแม่ชีที่บวชเลยตอนนี้ปัญหาคือว่าส่วนใหญ่ที่บวชเข้ามาเนี่ยจะกลายว่าจะต้องมารับใช้วัดรับใช้พระจะทําอย่างไรถึงจะแยกออกมาปฏิบัติได้ครับอาจารย์ก็ไม่เป็นไรเนี่การรับใช้วัดรับใช้พระก็เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนไง เราก็ต้องจะได้ทําวัดก็ต้องมีค่าน้ําค่าไฟมีอะไรต่างๆค่าใช้จ่ายเราก็ไปช่วยมันเทาค่าใช้จ่ายให้แล้วก็เป็นการฝึกลดละอัตตาตัวตนเป็นการลดละความเกียจค้านอันนี้ก็ไม่ได้ทําทั้งวันทั้งคืนพระเนรก็ต้องทําเหมือนกันพระเนรมาบวชกันทุกคนก็ต้องล้างส้วมต้องกวาดถูสาราต้องปัดกวาดลานวัดรับใช้ครูบาอาจารย์ รักจีวรให้คูบาอาจารย์ล้างกระโถนอะไรมันเป็นเรื่องปกติของนักบวชนักบวชมาบวชนี้เพื่อมาชำละ อ, อ, อัตตาตัวตนการถือตัวเนี่ยก็เลยต้องมารับใช้เป็นแจวเป็นคนรับใช้กันคนคนที่บวชวันแรกนี่เขาถือว่าเป็นเป็นเหมือนกับฐานฐานฝึกใหม่ก็ต้องให้จาให้จา่าในจ่านี่คอยใช้คอยขุมคอยบังคับ อันนี้เป็นการฝึกฝนจิตใจดังนั้นการที่ไปอยู่วัดแล้วไปทำงานให้กับวัดนี่เป็นบุญเป็นกุศลไม่ใช่เป็นแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องมากังวลเรื่องไปหาเงินหาทองเพื่อไปซื้อข้าวซื้อของมาทำกับข้าวกับปลากินก็กินกับวัดเนี่ยวัดมีอะไรก็แบ่งกันไปตามมีตามเกิดทางวัดเขาเขาเข า, เขาไม่ได้ต้องการที่จะเอาแม่ชีมาเป็นคนรับใช้แร้วเพียงแต่ว่าเป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจ ให้มีความเพียรให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ให้ถือตัวให้ลดละอัตราตัวตนลงไปเพราะอัตราตัวตนนี้มันจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติคำถามข้อต่อไปจากคุณรวิวันนะครับพระอาจารย์คะถ้าเราไม่กลัวตายแล้วแต่ถ้าเราคิดว่าเรายังทำดีไม่พอเราเลยยังไม่อยากตายเราคิดผิดหรือเปล่าคะ มันถ้ายังไม่อยากตายก็แสดงว่ายังกลัวตายอย่นั่นแหละถ้าคนที่ไม่กลัวตายแล้วตายเมื่อไหร่ก็ตายทําความดีได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นน่ะใครจะเป็นกำหนดได้ว่าจะตายเมื่อไหร่ถ้ายังมีความอยากก็ยังเป็นกิเลสอยู่คําถามเจ้าคุณเดียวดายนะครับการรวมตัวของท่าสี่ขันห้าโยงใยรัดตึงปลูกสร้างสมองปอดม้ามตับไตไส้พุงเนื้อเอ็นกระดูกเนื้อหนัง มีตัวตนเป็นหัวหน้าในการสร้างร่างกายจนมีครบอา้าวนี่เขาบอกเราจนมีครบสามสิบสองครับมีบอกเรานะครับอันนี้มาเทีให้ฟังเลยแล <c oughs> คุณสามารถนะครับคุณสามารถถามว่าจิตของสมณะทั้งสามคือโสดาสกิ ธ, ธาคาอนาคามีมีโอกาสเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ไหมครับอาจารย์ไม่ไ ด, ด้มีแต่ขึ้นอย่างเดียวถ้าขึ้นแล้วก็ไม่ตก โสดามันนี้ก็จะไม่ตกลงไปเป็นพุทุชนสกิรดาคามีก็ไม่ตกลงไปเป็นโสดามันอนาคามีก็ไม่ตกลงมาเป็นสกิรดาคามีมีแต่จะขึ้นเลื่ออยู่คงที่ไว้ก่อนอยู่กำลังของการปฏิบัติถ้ากำลังปฏิบัติยังไม่พอก็ยังเลื่อนขึ้นไม่ได้แต่ไม่ตกลงมาแม้แต่พระอารหันต์ก็ขั้นสุดท้ายก็เหมือนกันลองเลื่อนถึงขั้นพระอารหันต์แล้วก็ไม่ตกลงมาเป็นพระอนาคามี คำถามเจ้าคุณจุทารัตน์นะครับหลังจากนั่งสมาธิแล้วเราสามารถแผ่บุญจากการนั่งสมาธิไปให้กับลูกและคนรอบข้างเราจะได้รับส่วนบุญนั่นหรือเปล่าเจ้าคะไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นบุญระดับที่ต้องทบกันเองสมาธิของใครของมันยังก็สบายเลยให้วุฒิเจ้าแผ่นิพพานมาเลยไม่ดีหรอกพวกเราเพียงแต่นั่งรับสาธุสาธุ <laughs> ถึงไม่ผ่านเลยแต่แต่ถึงจะแค่สาธุก็ได้บุญในระดับความสุขเท่านั้นใช่ไหมครับกบุญระดับความสุขทำอะไรได้บ้างครับอาจารย์ก็เดี๋ยวเดียวสุขตอนนั้นนะคนลูกบิติตอะไรนั่นเองแต่ก็เดี๋ยวก็จางหายไปละจากคุณจรัญญานะครับการจะอยู่หรือตายจากโลกนี้เป็นเรื่องของกายวงเล็บอนัตตาโยมเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าเจ้าคะก็กายมันเป็นสิ่งที่มันไม่เที่ยง เกิดแล้าเดืมันก็ต้องตายแต่ใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็ถ้ายังมีความอยากก็ไปหาร่างกายใหม่มาทดแทนร่างกายเก่าถ้าไม่มีความอยากก็ไม่ต้องหาคําถามจากคุณน้ำหวานนะครับการสวดมนต์ทุกวันเป็นกิจวัตรถือว่ามีกิเลสมีความอยากหรือไม่เจ้าคะหากมีความหมายว่ามีความอยากในการสวดมนต์เป็นนิดจะได้เข้าสู่พัฒนิพาน์หรือไม่เจ้าคะ ความอยากในทางธรรมนี้ไม่เรียกว่าเป็นกิเลสไม่เรียกว่าเป็นตันหาความอยากทาบุญการอยากรักษาศีลการอยากสวนมนตนั่งสมาธินี้เรียกว่าเป็นมรรคที่ต้องเจริญให้มากเป็นธรรมผู้ที่ทำทานมากรักษาศีลได้มากไหว้พระสวนมนได้มากนั่งสมาธิได้มากฟังเทศฟังธรรมพิจารณาธรรมได้มากนีเป็นผู้ที่กาลังจะไปพะ น, นิพา เป็นผู้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดส่วนผู้ที่อยากในลาบยสตรเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูนกนิ้งกายพวกนี้จะเป็นพวกที่จะติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดความอยากมันมีสองอย่างอยากที่จะพาให้เราออกจากการเวียนว่ายตายเกิดกับอยากที่จะทําให้เราติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดพระเจ้าให้เราละความอยากที่จะทําให้เราติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดก็คือการละตัณหาภาวตัณหาและวิภาวตัณหา คำถามจากคุณชัยนรินทร์นะครับพระอาหารหันต์ท่านมีทุกเวทนาทางใจหลงเหลืออยู่หรือไม่ครับคือไม่มีเลยหรือมีแต่ท่านไม่มีอุปทานในทุกเวทนาทางใจครับเอาใจไม่มีทุกเลยเพราะไม่มีกิเลสที่เตเป็นต้นเหตุ ข, ของความทุกข์ทําทำลายไปหมดแต่ยังมีทุกข์ทางกายอยู่เหมือนคนธรรมดาทั่วไปเวลาเจ็บไายได้ป่วย ป, ปวดตรงนั้นปวดท้องปวดหัวก็มีเหมือนกัน แต่ว่าใจไม่ไปทุกข์กับความปวดของร่างกายท่านเอเฉยกับมันอยู่กับมันได้อย่างสบายมียากินก็ได้ไม่มียากินก็ได้ใจท่านไม่เดือดร้อนคําถามจากคุณกรลวีนะครับจิตเมื่อถึงนิพพานแล้วยังติดต่อกันได้ไหมคะเช่นติดต่อคุยกันทางจิตกับคนที่นิพพานด้วยกันจิตที่นิพพานแล้วจะเป็นจิตที่สงบจะไม่ปรุงแต่งก็ยังไม่ติดต่อกับใคร หมายถึงถ้าจิตที่นิพพานแล้วไม่มีร่างกายนะยังไม่มีขันนะหมายถึงเวลาร่างกายตายไปแล้วแต่เวลาที่ร่างกายยังมีขันยังมีร่างเวลามีร่างกายอยู่ขางพระพุทธเจ้าเนี่ยจิตท่านถึงพระนิพพานในวันเพ็ญเดือน6แต่ท่านยังมีร่างกายอยู่อีกสี่สิบห้าปีท่านก็เลยใช้ขันนี้ติดต่อกับมนุษย์และเทวดาทั้งหลายได้อยู่แต่พอจิตท่านเข้านิพพานแล้ว ขันหยุดทํางานแล้วก็ไม่มีเครื่องมือที่จะไปติดต่อใครแล้วถ้าการแล้วอย่างนี้แล้วไปอยู่ตรงไหนครับก็อยู่ที่เดิมอ่ะอยู่ที่โลกทิพย์จิตของพวกเราทุกคนก็อยู่ในโลกทิพย์เพียงแต่อยู่คนละชั้นกันก็เราอยู่ในโลกทิพย์ที่มีแต่ความทุกข์ท่านอยู่ในโลกทิพย์ที่ไม่มีความทุกข์ถ้าเป็นเป็นที่อยู่อาศัยก็เหมือนคอนโดท่านอยู่ชั้นสูงสุดอยู่ชั้นเพนท์เฮาส์ง่ายไหม ท่านไม่ต้องลงมาไปออกไปหาขนมนมเนยก็<อ>คนเยอะหลายคนยังมอ ง, งว่าแล้วอย่างนี้ถ้าเราจิตเข้าสู่พ้นผ่าแล้วจิตตัวจริงๆแล้วจะไปอยู่ตรงไหนเพราะว่าอยู่ที่เดิม จ, จิตเราอยู่ในโลกทิพกันทุกคนะจิตเราไม่ได้อยู่ในร่างกายใช่ไหมเราเพียงแต่ใช้กระแสจิตมาติดมามาเชื่อมต่อกันหเหมือนกับสมัยนี้เขาใช้ขุ่นยนต์ขุนกู้ระเบิดเนี่ยหุ่นกู้ระเบิดกับคนที่ควบคุมเนี่อยู่ที่เดียวกันหรือเปล่า ะเราใช้สัญญาณวิทยุเชื่อมกันเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันจิตก็ใช้สัญญาณจิตคือวิญญาณเนี่ยมาเกาะติดอยู่กับตาหูจมูกิ้นกายที่เราเรียกว่าจากักขรวิญญาณโสตะวิญญาณเนี่ยเนี่ยคือตัวตัวเชื่อมจิตกับร่างกายตัวร่างกายอยู่ในโลกกทัทถตัวจิตอยู่ในโล ก, กทิทย์คอร์รโล ก, กันคอร์รมิตติ<ะ>เวลาร่างกายตายไปก็เพียงแต่ตัดตัวเชื่อมออกไปเท่า น, นั้นเองกระแสจิตออกไป กระแสตแต่ตัวจิตก็ยังอยู่ยแล้วมันก็ส่งกระแสจิตไปหาล่างใหม่ครับพอมีล่างใหม่มันก็ไปเกาะติดล่าง ใ, ใหมแล้วล่างใหม่นี้อา จ, จะอยู่บนโลกกลมๆโลกนี้ก็ได้หรืออาจจะไปอยู่โลกกลมๆอีกโลกหนึ่งก็ได้ที่ไหนมีมนุษย์มันไปได้หมดมันไม่ต้องเดินทางไม่ต้องใช้จรวดกระแสจิตนี่มันไปได้ครอบจักรกวาลเลยแต่ว่ายังมีอีกโลกหนึ่งที่เหมือนมีมนุษย์อย่างที่โลกเหล่านี้อยู่แต่ถ้าใช้ทาง ถ้าใช้เดินทางด้วยจัลลวยก็อาจจะใช้แสนปีเนี่ยแต่จิตนี่ไม่ต้องใช้เวลาแสนปีส่งภาษาปุ๊บไปถึงเลยเราั้นจิตมันอยู่ในโลกที่มันไม่ได้ไปไหนมันอยู่ตรงนั้นเหมือนคนนั่งคอนโทรลเครื่องอะ่ะคนนั่งคอนโทรลเครื่องก็คอนโทรลไปพอเครื่องนี้พังก็ไปหาเครื่องใหม่มาแทนพอใช้เครื่องนี้ไปกู้ระเบิดแล้วมันพลาดมันระเบิดตูมเครื่องกู้มันก็พังใช่ เขก็ไปหาเครื่องใหม่มาทาย ก, ก็ยังอยู่ที่เดิมก็ยังนั่งคอนโทรลอยู่ที่เดิมอยู่จิตของพวกเรากับจิตของพระเจ้าก็อยู่ในโลกที่เหมือนกันเพียงแต่อยู่ในอยู่ในคนคนละโซนกันพูดง่ายพอเราอยู่ในโซนร้อนท่านอยู่ในโซนเย็นเห็น ไ, ไหมพอเราอยู่ในโซนที่มีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายไม่รู้จักจ บ, จบจากสิน้นพอเราชอบไปเอาไปไ ป, ไปเกี่ยวข้อง ก, กับการกู้ระเบิดชอบไปกู้ระเบิดกันเนี่ย <c oughs> <c oughs> มันก็เลยเครียด แต่้าต้องไปกู้ระเบิดแต่ละครั้งมันกักเทียดไงใชแต่ท่านไม่กู้ระเบิดท่านที่เกียรยุ่งท่านอยู่เฉยสบายกว่าท่านไม่มีร่างกายที่จะต้องมาทุกข์ด้วยจิตของโมลเราเจ้าของเจ้านี่อยู่ในโลกทิพย์เพียงแต่แบ่งโซนหนั้นโลกทิพย์นี้ก็มีหลายโซนโซนนิพานก็โซนหนึ่งโซนสวรรค์ก็โซนหนึ่งโซนระบายก็อีกโซนหนึ่งมีสามโซนโซนนี้ โ ซ, โซนอบานนี่ก็ร้อนตลอดเวลาเครียดวุ่นวายตลอดเวลาโซนสวรรค์ก็เย็นสบายโซนมนุษย์ก็กลางๆสลับกันไปบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างใจของพวกเราขณะที่เป็นมนุษย์นี้บางวันก็เย็นบางวันก็ร้อนนี่แหคือคือคือที่อยู่ของโุกที่อยู่ของจิตใจของพวกเราอยู่ในโลกทิพย์เพียงแต่ว่าเราจะเลือกอยู่โซนไหนเท่านั้นเอง ถ้าทำบาป ก, ก็ไปอยู่ในโซนร้อนไปอยู่ในบายถ้าทำบุญก็ไปอยู่ในโซนเย็นไปอยู่ในสวรรค์ถ้ากลางๆ ก, ก็อยู่มาเป็นมนุษย์ถ้าไม่มีตัณหาความอยากก็ไปอยู่โซนเย็นสุดไปอยู่พะนิพานโซนที่ถาวรไม่ต้องย้ายโซนถ้าโซ น, นอื่นนี่ยังต้องย้ายไปย้ายมาอยู่เข้าใจไหม <c oughs> ไปอยู่สวรรค์ครั้งหนึ่งก็บุหมดก็ต้องย้ายกลับมา <c oughs> เป็นมนุษย์ <c oughs> พอมาทำบาป ก, ก็ย้ายไปอยู่ในอาบายสลับกันไปสลับกันมาย้ายไปย้ายมาอยู่ในโซนสามเนี่ยแต่ถ้าไปถึงพระ น, นิพพานแล้วไม่ย้ายละปลอดภัยแลเข้พพาใจยังเข้ยาใจครับแจ้งผู้ชมทาง Facebook l ล v e และ YouTube นะครับว่าภาพภาษาไทยจะมีถึงแค่ประมาณสามโมงครึ่งหรืออีกประมาณเจ็ดนาทีนะครับจากนั้นจะเป็นภาพภาษาอังกฤษนะครับ ครับคำถามข้อต่อไปจากคุณพิชัยนะครับเวทนาเข้าไม่ถึงจิตเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นมีอยู่ในกายจิตนั้นไม่มีใช่หรือเปล่าครับในจิตมันไม่มีเวทนามันมีแต่ทุกข์หรือไม่ทุกข์ในจิตนี้มันทุกข์เพราะตัณหาเพราะกิเลสมันไม่ทุกข์เพราะตัณหากิเลสไม่ทำงานนี่คือจิตส่วนเวทนานี่มันอยู่ที่ใจอยู่ที่ร่างกายเวลาเดินไปเตะ ต้อนถึงมันก็เจ็บขึ้นมาเวลานั่งนางนๆมันก็ปวดตามแข้งตามขาอันนี้เรียกว่าเวทนาเวทนาทางการนี้มีสามสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ส่วนเวทนาทางใจเราไม่เรียกเวทนาเราเรียกว่าทุกข์หรือไม่ทุกข์จิตทุกข์เพราะกิเลสจิต ด, ดับเพราะว่าใช้ใช้มักใช้ธรรมะดับมันคําถามจากคุณโชคอํานวยนะครับ ถ้าเราทําบุญกุศลมาตลอดชีวิตแต่ก่อนตายเราคิดในสิ่งไม่ดีมีโอกาสที่จิตจะตกไปสู่อบัยวุมด้วยไหมครับมันก็แล้วแต่ว่าความดีที่เราทํามานี่กับความไม่ดีที่เราทําในตอนตายนี้อันไหนมีกําลังมากกว่ากันถ้าสิ่งที่เราทําในตอนตายนี่มันมีกําลังมากกว่าบุญกุศลที่เราทํามามันก็จะดึงเราไปอันบ้าง เป็นพระเทวทัตนี้บวนมาต้อง20กว่าปีมีศีลสมาธิแตมีความหลงมีทิฏฐิมีตัณหาความอยากเลยไปลพปยายามปรงพระชนพระพุทธเจ้าถึงสาครั้ง น, นี่บาปที่ทำานบ้านปลายของชีวิตนี้มันมีกำลังมากกับบุญที่ได้สร้างไว้พอตายไปเลยต้องไปอบ่ายในทางตรงข้ามองคุริมานี่ ฆ่าคนมา999คนพอมาเจอพระพุทธเจ้าเปลี่ยนใจเลิกฆ่าพอฆ่ากิเลสพอฆ่าความโลภโกรธหลงได้หมดไปจากใจก็ไปนิพพานฉนั้นมันอยู่ที่ว่าบาปหรือบุญที่เราทำในวารสุดท้ายหรือในบ้านปลายของชีวิตเหล่านี้มันมีกำลังมากน้อยกว่ากันหรือไม่ถ้ามันมีกำลังมากกว่ามันก็จะเป็นผู้ตัดสินว่าจะไปทางไหน ถ้าบุญมีกำลังมากกว่าก็จะตัดสินให้ไปทางสวรรค์ไปทางนิพพานถ้าบาปมีกำลังมากกว่ามันก็จะตัดสินให้ไปอบายคำถามเจ้าคุณเอวานะครับพระสงฆ์สามารถไปช่วยโยมต่อตุ้นไม้ที่บ้านโยมได้ไหมคะคนที่ชวนจะบาปไหมคะมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์เช่นถ้าเป็นพ่อแม่อีกแล้วพ่อแม่เดือดร้อนไม่มีใครดูแลช่วยเหลือ พอมีเวลาพอที่จะแบ่งไปทําให้ท่านได้ก็ไปได้แต่ไม่ควรถือเป็นไม่คจะเป็นถือว่าเป็นกิจกรรมประจําที่จะทําทําในกรณีที่จําเป็นจริงๆแต่ถ้าไม่ไม่จเป็นก็ไม่ควรทําเพราะว่ากิจของพระนี่คือการมาบำเพ็ญมรรคมาเจริญมรรคคือศีลสมาธิและปัญญาแต่สมมติว่าถ้าท่านบวชมานานท่านบนรรลุแล้ว ท่านไม่ไม่ต้องปฏิบัติแล้วท่านจะไปช่วยโยมพ่อโยมแม่ทํานูน่นทํานี่บ้างก็แล้วแต่ความเหมาะสมเองก็ต้องดูว่ามันเป็นโลกาวัชชะหรือเปล่าด้วยโลกขาตําหนิหรือเปล่าถ้าเป็นที่ตําหนิตีเตียนของโลกก็อย่าไปใช้ลูกศิษย์ไปแทนก็ได้ถ้าถ้าบวชมานานแล้วมีลูกศิษย์ล่วงหาก็ยินดีที่จะช่วยเหลืออยู่แล้วยิ่งแต่บอกเขาเท่านั้นแหละเขาก็จะไปทําให้ เพรนถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ควรจะทําก็อย่าไปทํามันไม่ใช่หน้าที่ของสงฆ์มันจะทําให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีได้ถึงแม้ว่าจะมีความเมตตามีความการุณาแต่ว่าสถานภาพของการเป็นภาพนี่มั น, ม, นมีข้อจํากัดที่จะทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องดูว่ามันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมควรหรือไม่ควร คำถามสุดท้ายสำหรับภาคภาษาไทยในวันนี้นะครับจะคุณนิตานะครับเวลาโยมจะนอนก็สวดมนภาวนาพอตอนนอนก็นอนตะแคงทำสมาธิพอหลับก็จะฝันไปแต่ที่ดีๆเช่นไปพุทธคยาและเคยได้ยินเสียงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเห็นทวยเทพเทวาอันนี้เรียกว่าจิตวิปลาสหรือเปล่าคะได้หล้การฝันมันก็ฝันได้บางทีก็จะฝันดีบางทีก็อาจจะฝันร้ายได้ได มันไม่มีอะไรแน่นอนเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่เราทําไว้มันฝังอยู่ในใจเราวันไหนบุญมันแสดงผลมันก็ฝันดีวันไหนบาปมันแสดงผลมันก็ฝันร้ายได้ดังั้นมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาผู้ปฏิบัติก็ให้ใช้ปัญญาพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางพิจารณาว่าเป็นตายรักไปไม่เที่ยงเกิดมาแล้วก็ดับไป ผ่านไปแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปดีหรือชั่วก็ผ่านไปแล้วอนัตตาเราสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันฝันดีอย่างเดียวไม่ได้ฝันร้ายอย่างเดียวก็ไม่ได้มันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่จะทำให้เราฝันดีหรือฝันร้ายหน้าที่ของการปฏิบัติกับสิ่งต่างๆก็คือต้องปล่อยวางปล่อยวางด้วยใจรักแล้วก็จะไม่มีปัญหาอะไรหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วเรานอาจารย์ถ้าอย่างนั้นจะตัดกันตัดได้ แลเดี๋ยวจะได้ต่ออีกคลิปหนึ่งต่อไปนี่เป็นภาษาอังกฤษได้นะใครจะพูดต้องพูดภาษาอังกฤษแล้วนะ